มีรางวัลอยู่รางวัลเดียวรางวัลที่หนึ่งแต่มีคนซื้อเป็นจํานวนล้านคนแห่งโอกาสที่คนใดคนหนึ่งจะได้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งยังเป็นของยากมากไม่มีใครคิดว่าตนเองจะถูกกันเองแต่ซื้อไว้เผื่อมีโชคมีวาสนาเท่านั้นน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 จะถูกอุปสรรคคือกามะตัญหาหรือกามฉันทะความสนใจความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจะมาขัดขวางจะไม่ให้มาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันคนที่มาได้จึงถือว่าเป็นคนที่ได้ของที่ยากเหมือนกับได้ถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเอง และเมื่อได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลทั้งที่หนึ่งทั้งสี่ครั้งนี้ก็จะทําให้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลพิเศษที่ยิ่งยากกว่าลอตเตอรี่ทั้งสี่รางวัลนี้ก็คือการที่จะได้บรบรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้ะ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 เพราะไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุคือตัณหาทั้งสามได้แก่กามมรตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความอยากในกามคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่วภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้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 เ พ, เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองเราแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นเหมือนกับนักศึกษาที่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนหรือนานานๆจะเข้าห้องเรียนสักครั้งหนึ่งทําการบ้านสักครั้งหนึ่งมัวแต่ไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่เรื่อยๆหรือไปทําธุรกิจไปทําอะไรต่างๆ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 พระพุทเหตุของพระพุทธเจ้าเหตุของพระอาหารตาสาวกนี้สมบูรณ์ท่านศึกษาท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างพระพุทธเจ้าพอทรงออกบวชแล้วก็ไม่มีภารกิจอย่างอื่นแล้วไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับภารกิจในพระราชวังไม่เคยกลับไปในพระราชวังอีกเลยสรงมุ่งมั่นอยู่กับการศึกษาอยู่การปฏิบัติ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 ด้วยความไม่ประมาตโอกาสที่เราจะตายนี้ก็น้อยกว่าของคนที่มีความประมาตคนประมาณก็คือทำอะไรแบบไม่มีสติไม่มีสตังไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนว่าทำไปแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาเช่นคนที่เด่มสุรายาเมาเที่ยวกลางคืน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 ผู้ที่เสพยาเสพติตจนเสียชีวิตไปนี่ก็คือความประมาทเล่ล่นเ่อหรือการดื่มโุรายาเมาแล้วก็ไปขับรถอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตนี้หมดไปได้หรือการเสพสุราสซบุรีอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้อายุสั้นลง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 บางครั้งเราต้องไปอยู่ที่ที่สงบสงัดวิเวกเพราะว่าการปฏิบัตินี้จะได้ผลดีก็ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลาจากสิ่งต่างๆที่จะลบกวนใจคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะการมาฟังเทศฟังธรรมนี้อาจจะต้องออกมาจากสถานที่วิเวกเพื่อที่จะมาที่ฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะ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 ย้ายไปเรื่อยๆรากมันจะไม่มีโอกาสที่จะฝังลึกลงไปในดินโอกาสที่มันจะดูดซึมน้ําดูดซึมอาหารต่างๆเพื่อมาบำรุงต้นให้มันเจริญเติบโตมันก็จะยากมันจะช้ามันต้องใช้เวลาดังั้นการปลูกต้นไม้เราจึงไม่โยกย้ายที่กันปลูกแล้วก็ปลูกเลย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 ทระโสยัตถะสัพิติโยวิวัจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุธาปจายโนจัตารโอธรมมาวทานติอายุวโนสุขัง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 เพือผู้ที่อยู่จะได้ยินเสียงไม่เะ่นนั้นก็จะได้ยินแต่เสียงคำตอบเสียงคำถามจะไม่ได้ยินก็จะไม่ครบอรรถรสถ้าไม่มีใครก็จะให้ถามปัญหาทางบ้านไอ้ทางอินเทอร์เน็ตที่ถามมาใครจะถามก่อนครับฟังอะไรฟังไปแล้วยังไม่เข้าใจ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 ชาติก่อนแม่คงจะทำอย่างนี้กับแม่ของตนชาตินี้ก็เลยต้องมาทำกับลูกถ้าลูกปล่อยให้แม่ทำต่อไปลูกก็จะต้องไปซักให้กับลูกของตนอีกมันก็เป็นกรรมเป็นทอดทอดไปทากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะทาถ้าไม่อยากให้เป็นกรรมก็อย่าให้ผู้มีพระคุณทําในสิ่งที่เราทําได้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 ได้มาแล้วจะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันหมดไปอันนี้จะไม่มีเวลาคิดงั้นถ้ามีอุบเบกขามากๆเวลาออกมามันจะมีเวลาคิดใจมันจะเย็นเจะมันจะไม่หิวกระหายแบบคนอดอยากดโซคือมีอาหารหองทองแล้วจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มีเวลาที่จะใช้ปัญญาวิเคราวะห์ว่าสิ่งที่กินนี้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 คำสติกับคำสมาธิของเราในภาษาไทยตอนนี้อาจจะสับสนเพราะในทางโลกนี้เราจะใช้คําว่าสมาธิแทนสติเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยแสดงว่าใจไม่ได้จดจอ่ออยู่กับการงานเลยมือแต่ไปวุ่นอยู่กับเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องอื่นทํางานก็ทําแบบผิดผิดถูกถูกอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติตามภาษาพะ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 ในการที่จะเจริญปัญญาจเจริญสมาธิจเจริญสติผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมที่จะทำให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี้จาเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังแต่อยู่แบบมีเหตุมีผลคือไม่ใช่หมายความว่าพอไปบวชได้ปั๊บก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวเลยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าปีกวิเวกก็คือ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 ของลกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็คิดไปเรื่อยแล้วก็มีเหตุการณ์มาให้คิดไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงเวลากลับมาบ้านนอนหลับถึงจะหยุดคิดไปได้บางทีก็ไม่ก็ไม่หยุดเวลานอนหลับไปก็ฝันต่อไปก็คิดอยู่นั่นแต่ฝันนี่มันจะไม่ได้เป็นการทํากรรมมันจะเป็นผลของกา ร, ร ม, มากกว่าเวลานอนหลับเนียเวลาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันก็จะเป็นเหมือนกับรับผลของกรรมที่เราทาถ้าเราฝันดีก็ได้รับผลของบุญของความดีที่เราทาถ้าเราฝันร้ายก็จะได้รับผลของของบาปที่เราทำมาดังนั้นเราต้องมีสติสตินี้จาเป็นในทุกกรณีถ้ามีสติแล้วมันก็จะสามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทำของเราได้ ถ้าเรารู้ว่ามันกําลังไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้เช่นพอคิดอยากจะไปดื่มสุราเราก็ดึงกลับมาใช้พุโทโธดึงกลับมาก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือใช้การสวดมนต์ไปก็ได้หรือคิดไปในทางปัญญาก็ได้ว่าการดื่มสุรานี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายต่อจิตใจต่อ ทรัสมบัติเข้าของเงินทองเราสถานภาพการทำงานของเราถ้าดื่มสุรามากก็ไม่สามารถไปทำงานได้ถ้าขาดงานบ่อยๆก็ตกงานได้หดือ ม, มากๆร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษของสุราเวลาดื่มก็ปัสแจกสติที่จะควบคุมการคิดการพูดการกระทาก็อาจจะไปทำสิ่งที่เสียหายกิดโทษตามมาได้ ให้คิดทางปัญญาคิดแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่อยากจะเดือดร้อนได้ก็มีสองวิธีวิธีของสติหรือสมาธิก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องของการดือดร้อนพอคิดไม่คิดสักพักมันก็ลืมไปมันก็หายไปพอมันจะคิดอีกก็พุทโธใหม่ทำอย่างนี้สู้กับมันไปเรื่อย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 เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอโมนีเวลาพระต้องอาบัตนี้บางทีท่านต้องตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพระที่รู้พระวินัยอย่างแท้จริงมาวิเคราะห์เหมือนกับขึ้นศาลถ้าทำมาบัติ ท, ทาผิดแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลของพระพระจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้พิจารณา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 มีคนไปฟ้องร้องก็ต้องมีการมาสอบสวนสอบสวนเสร็จก็มีการตัดสินตัดสินเสร็จก็มีการตั้งกฎข้อห้ามขึ้นมาจากข้อหนึ่งก็เป็นสองจนกระทั่งถึงสองร้อยิบเจ็ดถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ถึงตอนนี้ก็อาจจะถึงสามพันสี่พันแต่ละเพราะสมัยนี้ญาติโยมก็ถามกันบ่นกันเนยอะเหลือเกินเอ๊ะ hey, พระทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าพระทําอย่างนั้นได้หรือเปล่า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 การกระทำอันไดที่ทําแล้วทําให้ผู้ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาทําให้ผู้ที่มีศรัทธาแล้วยิ่งมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นการกระทําเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นกา ร, ก, ารกระทําที่ถูกต้องนั่นก็มีสอนไว้หลายข้อด้วยกันเพื่อที่จะหนึ่งบางทีก็ไม่อยากจะให้ลบล้างคําสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้เดี๋ยวมาลบล้างกันแทนที่สองอยยีเจ็ดก็า จ, จะเหลือแค่สี่ข้อนะ แต่ถา้าบัญญัติขึ้นมาก็บางทีก็อาจจะบัญญัติโดยไม่มีเหตุผลรอบครอบก็อาจจะทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็ดีไปอย่างก็เลยเอาแค่สองรอยิบเจแล้วก็ให้ถือหลักว่าการกระทาบรรดาที่ทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาผู้ที่มีศรัทธาแล้วมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าการกระทาแบบนั้นใช้ได้แคแล้วกัน เอาล้นะหมดแล้วปัญหาไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> ก็ขอให้ท่านจงเอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น